เอาคณะทศธาญายมหลวงพ่อจะปลารบพูดให้คณะทธาญายมได้ฟังสักหน่อยแล้วก็คงจะฟังธรรมเทศนาของหลวงตาในวันนี้หน้าหลวงพ่อได้เลือกไว้แล้วท่านเทศแนวอริยสัจแนวอริยสัจสี่นะให้พวกเราท่นทานทั้งหลายได้ฟังนานๆพวกเราจะได้ฟังเสียงหลวงตา วันนี้หลวงพ่อจะปวารบเรื่องงานแล้วก็ให้อาจารย์เจริญเปิดเทปเอ็มพสที่องค์หลวงตาแสดงธรรมให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ็ดวันเสาร์ที่ยี่สิบ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5้าห้าวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ พวกเราเคยทำบุญอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนอปีนี้มันตกวันที่28แล้วก็เดือนนี้มันมี29าวันเป็นวันสุดท้ายนะแล้วก็พวกเราจะได้ทำบุญข่าวนี้ก็คือการทอดผ้า ป, ป่าสามมกขีเพื่อหาทุนชื้อที่ดินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ตามไม่จริงที่ดินแปลงนี้นะ ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อสักหน่อยนะแต่ตามไี่จริงเมื่อหลงตาจุดตินิรพานในข่าวนั้นนะหลวงพ่อทุกธรรมที่นั่งอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะกับหมู่คณะพร้อมพากันบุมบ ม, มบุมัมมบขโมยนี่จากหลวงพ่อนะไม่บอกหลวงพ่ออินอีกต่างหากพอในสุดไปอเมริกานะพอไปก็เลยไปซื้อที่ดินพอซื้อที่ดินเป็นหนี้มาทีนี่พอเปห น, นี้มากัหลวงพ่อเลยใช้หนี้ช่วยข่าวนั้นนะ่ะ เกือบสิบ12ล้านในะี่ยข่าวนั่นนะทอดผ้าป่าที่สวนแสงธรรมพอเสร็จแล้วก็ใช้ไปแล้วยังไม่หมดที่ว่ามันจะหมดแล้วเพราะท่านนพปรนก็ป่วยพ่อป่วยไมีรว่าเงินบางส่วนไม่รู้ท่านนพปรนท่านก็หายปัญหาายไปก็รู้มันไม่รู้หายไปเราก็ไม่กล้าที่จะถามท่านเพราะท่านป่วยอยู่แล้วนะเนี่ยเราก็เลยรวบรวมกันอีกก็เลยใช้นี่ก็จบไปแล้วละ่ะต่อมาเนี่ยกันนะหลวงพ่อเ น, นี่ยลง ท่านเคยเใครครับหมูหมูหลงมติกันนี่ไอพวกหมูไปด้วยกันก็ลงมติให้หลวงพ่อนรงเป็นคนเฝ้าทีแรกเลยคงจะตกลงกันว่านะเออเอาคนละปีกันเนาะผลวันเี้เ อ, อเอาคนละปีกั น, น, กนเนาะผนว่าพวกไรไปด้วยกันแล้วก็เออบัดได้เลยไปตกให้หลวงพ่อนรงอยู่ก่อนมาเนี่พอหลวงพ่อนรงอยู่ก่อนเนี่ยทุกคน ติดถูกหมูต้มบาดเลยมาก็มาไม่ได้ทีนี่ อ, อพวกหมูก็ไม่ไปไม่ไปใกล้ไปไกลเลยทีนี่้ลิ่งยิ่งหลวงพ่อจะทำเนี่ยไปว่ายเขาว่าเห็ุน่ะมริกาเน่ยคิวยิ่งกว่าตัวเลือดยเพรเมื่อกี้เอยไม่อยากไปใกล้เมื่อกี้เพราะเห็นอะไรพอนั่งรถไปโอ้โหทําไมบันเมืองกว้างขวาง ข, างขนาดนี้เลยนะนั่งไปทั้งวีทั้งวันเนี่ แต่ทั้งที่จะไปชมบ้านเมืองของเขาเนี่ยไปหลับตาตลอดเลยพนัะงานสับพังกไปตลอดทางเออไม่ได้ดูนะบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเหมนนแต่พอหนุ่สูงกันเนี่ยให้หลวงพ่อท่าลงอยู่องค์เดียวบัดเนี่ยหลวงพ่อท่าลงก็เลยโดดเดียวเดียวได้หลวงพ่อว่าเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อว่าถ้าให้หลวงพ่อแต่งตั้งนะให้หลวงพ่อควรจะหลวงพ่อนี่หลวงพ่อจะทําไปปีนด่น หลวงพ่อจิรวัตรไปปีนึงบอกแล้วสิหลวงพ่อชะดิตไปปีนึงเอาคนละปีละปีกันเออรบครบรอบแล้วก็ค่อยกลับมาหลวงพ่อว่าน่ะถ้าให้หลวงพ่อแต่งตั้งนะเออแต่จะฟังหลวงพ่อหรือเปล่าก็เมือนหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีส่วนเนอะหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยแต่ทีแรกนะการหลวงพ่อไปด้วยแต่ทีแรกหลวงพ่อก็คงจะเออเข้าไปมีส่วนหลวงพ่อก็คงจะปีนึงอีกเหมือนกันนะเออแต่ในหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วย เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนะี่ยไปปล่อยป่าละเลยไม่ได้ได้เคยซื้อที่ดินไว้แล้วนะหมดไปทั้งหลายเงินนะเพราะฉะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายช่วยๆกันไปดูแต่หลวงพ่อเขาว่าว่ามีประโยชน์ไม่มีมีประโยชน์ถ้าพวกเราซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้แล้วนะนะก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานะเป็นสมบัติชื่อว่าวัดป่าโคโลโรราโดหลงตามหาบัวญาณสัมปันโน ถ้าเราไปซื้อวใบธนูแล้วต่อไปภายภาคหน้าไม่ว่าปีไหนลูกหลานตระกูลของเมืองพวกเรานามส ก, กุลของประเทศไทยของเราอาจจะไปมีเรื่องรามีไม่ตกทุกข์ใดอย่างชัดเจนประเนจรไปตกอยู่อเมริกาอย่างน้อยก่อนเนี่ยบ้านปู่บ้านทวดวัดปู่วัดทวดของพวกเรามีอยู่ที่นั่นก็ไปพึ่งพาอาศัย บ้านไม่ได้เช่าเข้าไม่ได้ซื้อไปพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์พักพาอาศัยอยู่หรือญาติพี่น้องญาติโกโหติกาไปเยี่ยมใครไม่รู้จักที่พึ่งพาพึ่งพิงอิงอาศัยเราก่อนเนี่ยเข้าไปพักอยู่วัดนี้คอนก็ได้ไปตั้งหลับอยู่หลวงพ่อมันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นล่ละเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะวันพุ่งนี้แหละยังขาดยังเป็นหนี้อยู่ พวกเรากับโ่วชช่วยๆกัน เ, เมื่อซื้อเสร็จแล้วแบบไม่เป็นสมบัติไม่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดไม่เป็นของใครเป็นของเป็นเป็นของพวกเร า, เาที่เป็นลูกศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาด้วยกันทุกคนนั่นแหละนะหลวงพ่อกับวันพรุ่งนี้นะหลวงพ่อจะดูๆอีกวันหนึ่นนะั่นแหละมันจะเป็นยังไงแต่หลวงพ่อคิดว่าไม่น่าจะเหลือวิสัยเพราะพวกเราก็เคยช่วยกันม า, ามากต่อมากแต่สมัยเมื่อ วัดสวนแสงธรรมของเราข่าวนั้นจมน้ำปีห้าส่ลวงตาจุดติดนิทพานไปนะพวกเราก็ได้ทอดผ้าป่าวันนั้นได้ทางหลวงพ่อจำไม่ลืมประทังทุกวั น, นวัด น, นั้นได้13าล้า น, นะคณ ะ, ะสัตยาญาติโจมส2องล้าน ก, นกว่าเกือบเกือบ13าล้านแต่โอนเงินโอนเข้ามาอีกรวมวันละเป็น17เ็ล้านหลวงพ่อถามท่านสุดใจนะ หลงถามท่านุดใจท่านสุดใจดใ จ, จะตุปปัจใจยอดสุดที่เท่าไหร่ภาป่าของพวกเราคราวนี้ท่านก็ได้สิบเจ็ดล้านครับ น, นี่แหละพวกเราจะเน่ยบำลุงสวนแสงธรรมขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่นี่แหละอันนี้ก็คืออาศัยญาติพี่น้อง เ, ออเพื่อนออน้องน้องของพวกเราครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เป็นหลักเป็นผู้นำพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหันหน้าพัวาากัน ย่าเมื่อค่าวที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคราวที่มันจําเป็นพวกเราก็หันหน้าเข้าหากันปรึกษาปานรบกันช่วยกันแต่าว่าไม่มีอะไรต่างโอนต่างอยู่ต่างองค์ต่างภาวนาของใครของเราต่างองค์ประกอบคุณงามความดีของใครของเราพ่อสําคัญให้คิดดีทดําดีพูดดีให้อยู่ตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว ทางฝ่ายพระก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่างหลวงตาพาดําเนินคณะสัตธาญาติโยมก็เหมือนกันให้อยู่ในศีลในธรรมที่หลวงตาแนะนําบอกกล่าวหลวงตาหลงหลงตาแนะนําบอกกล่าวอย่างไรในหลักพระธรรมคําสอนของท่านเอามาศึกษาจะเอามาปฏิบัติเมื่อศึกษารู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ น, นํามาประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ใช่สมบัติของหลวงตานะสิเป็นสมบัติของพวกเราท่านทัน้งหลาย เมื่อพระปฏิบัติได้เป็นสมบัติของพระเมื่อญาติโยมปฏิบัติได้เป็นเป็นสมบัติของศรัทธาญาติโยมหลวงตาไม่ได้มาแบ่งสันปันส่วนจากพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทุกๆท่านนะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไม่ถึงร้อยปีแล้วต่างคนก็ต่างไปของไข่ของเรานะ่ยทางเด็กแ ต, แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะหลวงพ่อไม่ได้เอาความตายมาขู่กันน้เอาความจริงมาพูดให้ฟัง มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมพวกเราก็คงจะไม่มีใครที่จะมาต่อล้อต่อเถียงไม่ใช่ไม่ใช่คงจะไม่เป็นขนาดนั้นนะพวกเราคงจะถึงจะไม่เชื่อจุอยู่ใน จ, จิตใจชายทุกคุกคนจะต้องมีจุดหนึ่งจุดจบของชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีบ้านพุงนี้กันเนี่ยแนะที่เราสังซื้อที่ดินก็นไม่ใช่อื่นใกล เป็นการซื้อเป็นการเสียสละซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลมหาศาลนะคณาจารย์ญาติโยมโลูกหลานนะี่ยพู้อะไรยังไม่เคยซื้อที่ดิน เ, เสียสละจนนั้นซื้อที่ดินนะแล้วก็ตั้งความปรารถนาสาธุเนอ<ม>ผู้ข่าได้ซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาเกิดมาพบไรพัดชาติใดคําว่าแผน่นดิน อ, อดบ้านอยู่หรือไม่มีที่ พึ่งพาอาศัยจะได้มีในข้าพเจ้าเกิดทุกพพทุกชาติเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารน่ะท่านก็ถวายวัดป่าเวทุกวันในกรุงราชคือนั่นคือเป็นต้นตระกูลของพระพุทธศาสนาต่อมาพระนาถามิติการเศรษฐีสร้างวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าอันนั้ น, นคือแนวทางของพุทธอุบาสกอุบาสิกา ซื้อที่ดินถวายไว้ในพะระพระศาสนาเป็นประเพณีมานะลูกหลานนะเ อ, อ่อเป็นประเพณีมาที่เดียวเลยอย่างพัฒนาเชตวันเนี่ยน่าคิดนะพัฒนาเชตวันมหาวิหารเนี่ยอนาถาเบติกาเศรษฐีเนี่ยอยู่กรุงสาวัตถีฮนะออพวกเราไปอินเดียนยคงจะรู้นะเออแต่ที่นี้อนาถาเบติกาเศรษฐีเป็นพ่อค้าเกวียนเป็นพ่อค้าใหญ่เศรษฐี ไปธมาค้าขายอยู่กรุงราชคือทีนี่พอไปกรุงไปถึงกรุงราชคือเขาว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงอุบัติขึ้นแล้วในโลกไงอนาถาปิการเศรษฐีก็เลยเข้าไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพอฟังไปได้ลึกซึ้งในพระธรรมได้สําเร็จพระโสดาบันพอได้พระสําเร็จพระโสดาบันนะก็โอ้ จะทำยังไงเนาะจะพบพระพุทธเจ้าจึงจะเสด็จไปกรุงสาวัตถีไปเมืองของข้าพระเจ้าก็เลยไปกราบทูรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระองค์ขอการาบพระราตนาพระพุทธองค์พร้อมขับพระสงฆ์เสด็จไปโปรดกรุงสาวัตถีด้วยเทินพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็ น, นิ่งดุจเสนีคือนิ่งถ้าไปวารับแล้วนะท่านไม่ได้ต่อเออรับอาาถามดีท่านก็ปริวาสดุจเนีคือนิ่ง ไปนปิ่งแปลว่าท่านรับแล้วนะจากนั้นอาถามรดีก็ออพอค้าขาจะก็รีบกลับมาที่มากรสอกแสวงหาอะไรในกรุงสาวัตถีเนี่ยค้นหาตรงไหนที่เป็นที่เนินที่สูงที่สวยที่งามในกรุงสาวัตถีที่จะเหมาะสมให้มันห่างไกลที่สงบสงัดเหมาะสมกับการสร้างวัดวัดขึ้นมาอาณาถาบดีก็ไปเห็นบ้าน สวนของนายเซธนะไอ้หอสวนนายเซธคือเจ้าเซธเป็นเจ้าเก่าของกรุงสาวัตถีคือเหมือนกับหมอมรัฐวงศ์หรือหมอมพระ อ, องค์เจ้าลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ในกรุงสาวัตถีเป็นเชื้อพระวง์เก่านะทีนี้เกิดมีที่ดินสวยงามที่นี่เหมาะเนีเป็นเป็นสวนป่านะอานาถมดีกะใกล้เศรษฐีว่าพ้นไอ้หมอ่มอมเซธหม่อมหม่อมหลวงหมอง่มอมหม่อมเชษ จะขายไม่ที่อาณาในเชิดเขาบอกว่าหมอมเชิดเขาบอกเอ้ยขายถ้าได้ราคานนี่าายราคาเท่าไหร่เ อ, อาเถอะคนมี เ, เหรียญกระหาปณะเท่าไหร่เรียงเลยเลียงใส่พื้นแผ่นดินเนี่ยคือเหมือนกับเรามีเหรียญห้าเหรียญสิบถึงนั่นแหละเจ็ดนันกเลียงเลียงเรียงเลียงเรียงเรียงเลียงเออถึงเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเราเอาเลย เออโหอาธาวาเดก็แปลว่าเป็นผู้มีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมเออเทท้องขนเงินออกมาจากท้องพระคังเลยพระคังตัวเองเลยเพราะงั้นท่ะนพันเป็นเศรษฐีเนี่ยท่านก็ปลูกเลยเออปลูกมาตั้งาาแต่หลังวัดมาขึ้นมาปลูกปลูกมาเออพอปลูกปูม า, ม, ามันจะหมดนายเชื่อโอ้โหขนไปนําเงินเนี่ยได้มรณะขนไปด้วย แต่นี้ยังเหลือแต่หน้าหน้าวัดป่าวัดป่าเชิดตวันยังอยู่แถวหน้านานเชิดก็บอกว่าเออแถวหน้าเลยผมผมขอถวายผมร่วมบุญด้วยนะผมขอร่วมบุญด้วยแถวหน้านอแต่ว่าผมขอขอชื่อด้วยนะขอชื่อด้วยอทั้งที่อนาถาบดี เรียงลำดับมาดินเป็นรู้กี่ร้อยกี่ไล่มากมายแต่นายเช่ดอยู่แถวหน้ายัางหน้าอยู่หน่อยเดียวตนเองอแล้วก็ขอชื่อด้วยใชนไหมอาณาถาบดีท่านท่านอยากได้ท่านอยากได้บุญท่านไม่อยากได้หน้าใช่ไหมล่ะนายเชิดเนี่ยอยากได้หน้าอยากได้เงินด้วยอยากได้หน้าด้วยใช่ไหมนายเชิดก็เลยเอาอาณาถามดีกาเศรษฐีกเ็เอาได้เนี ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเพราะมีชื่อนายเชตนะวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารตั้งที่ตั้งที่น่าจะตั้งชื่อว่าวัดป่าอนาถาเมติกะเศรษฐมหาเศรษฐีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนายเชตอยากจะได้ชื่อว่างานอนาถาเมติกะเศรษฐีอยากได้บุญก็เลยเอาใครจะเอา หน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงของไม่บาให้ทั้งนั้นแหละคนท่านเป็นผู้มีปุณเนี่ยอนาถาเมติกาเศรษฐีเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านก็เลยตั้งวัดป่าเชตตะวันขึ้นมาวัดป่าเชตะวันมหาวิหารนะจากนั้นท่านก็สร้างวางผังแล้วแต่วางผังสร้างกุฏิพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนถนนไปทางไหนบ้านที่พักของอนาถาเมตบานพักของหมกฆลาสาริบุตรกุฏิของหมกฆลาสาริบุตร กุฏิพระอานนท์กุฏิพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่แถวไหนที่เตรียมไว้ตั้งห้าร้อยหลังผมเนีเ่ยวัดป่าเชิตะวันมหาวิหาร่ะก็คงจะเป็นวัดใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นพระโพรง์พอเสร็จแล้วก็อก็ส่งสายไปกราบอาลัตนาพระพุทธเจ้านะ่ะเอพระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จมาเลยเมาพักอมาพักเดินเรื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยมาเรื่อยๆนะเอ แล้วก็มีพระหัวดื้ออีกทางนี้ในพันธกุกรรมไม่ใช่ธรรมดาได้ผ่าไม่ใช่จะ ม, มีแต่ยุคนี้ในสมัยนี้แตช่วงวุกทุกนี้สมัยนี้ก็เดินขบวนใช่ไหยล่ะแต่ยุกสมัยเก่านั่นน่ะพิกษูกลุ่มหนึ่งเดินนําหน้ามาก่อนพ ร, อนะรอพระขี่ดื้อนั่งไปเน่ยพระโร์ก็เดินมาตามพระองค์นี่ก็ลุง ม, มาพอมาถึงก็บอกเนี่ยกุฏิหลังนี้สําหรับประชาของอาตมาสําหรับของผมจองจองจองจองจองไว้กันย่ะ เออเอจองไว้สําหรับหมูพวกเพื่อนของตัวเองเออทีนี้พระองค์ก็เสด็จมาก็มาพักมาพักวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพอกุดพระขันทกดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะเอแต่พระของพระอานุนก็เตรียมไว้อยู่แล้วแต่ของพระโมกขาลาสารีบุตรเขาก็เตรียมไว้เหมือนกันแต่พระสงฆ์ขี้ดื้อเพราะนั่นน่ะเขามาจองไว้ก่อนแทนเนี่ยมาจองก่อน ทีนี้ก็ภาษารีบุตรที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาท่านก็ลังท้ายใช่ไหมเวลาพระสง์พระพุทธเจ้าเดินนำหน้ามาไอ้พระโมกบาภาษารีบุตรโมกค ร, ราเนี่ยจะเป็นผู้ลังท้ายเดินตามหลังมาเดินตามหลังพระสงค์มาถ้าว่าพระสง์องค์ใดเจ็บไข้ได้ป่วยเดินทุกข์ลภาพเดินมาไม่ถึงมีปัญหา พอโมกฆราส า, าลีบุตรนั้นก็จะเข้าไปดูไปช่วยไปดูแลพระสงฆ์คล้ายๆว่าเป็นผู้รังท้ายเวลาเวลาเดินทางไปที่ไหนในพระสงฆ์หมู่ใหญ่จะต้องมีผู้ตรวจตราดูเบื้องหลังนี่แหละพอสาลีบุตรท่านก็เดินตามหลังมาเรื่อยๆจนถึงวัดกว่าเชตวันค่ำกว่าเพื่อนนพอค่ำเข้ามาที่นี่พระสงฆ์ทั้งหลายไม่มีที่พักตต่นี้พระ อนุรุทธะไอ้พระไอ้สารีบุตรท่านก็มีลาหุนมาด้วยสิพระราหุนก็คือลูกของพระพุทธเจ้าเป็นสมณะนทเออเป็นสมณะเออแต่นี้ก็พระสารีบุตรก็ไม่จ้ไม่รู้จะให้นอนที่ไหนใชยแล้วท่านก็ให้ไป น, นอนที่ในห้องส้วมพระพุทธเจ้าใช่ไหมเออให้ไป น, นอนในห้องส้วมพระพุทธเจ้าแต่นี้พระพุทธองค์ก็ตื่นตีพระองค์ก็ตื่นตื่ต น, ตนจากบรรทมมา ตีสามตีสี่โลเดินออกมามาเอาอนาถมาเอา้าใครอยู่ในห้องห้องช่วมเนี่ยผมเป็นลาหุนครับเอา้าเป็นยังไงลาหุนผมใหพ้พระอาจารย์พระอุปชาไม่มีที่พักครับท่านกระเฮมาผมมาพักที่นี่อแต่นี้เจ้าอพระองค์เดินไปนกระทั่งแอมเสียภาสนะาริบุตรคือตั้ง ไปอยู่ในโคนต้นไม้ข้างๆแอะใครกับแอมกับผมสารีบุตรครับผมเอาสารีบุตรทำไมเธอไม่มีที่พักเธอไม่มีครับกับผมพักอยู่ตรงนี้พราะพระองค์โอ้โหทำใหม่แพระสงฆ์ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำํำพาบวชเข้ามาใหม่แย่งเสนาชนะพระผู้มีอายุพรรษาไม่ได้เนี่ยนี่แหละพระองค์เห็นเป็นเหตุระบัด สารีลาหุ่นที่เป็นบุตรของเราก็เหมือนกันทั้งเทพเป็นบุตรของเราก็รู้ว่าเป็นบุตรของเราแต่ขนาดนี้ก็ยังไม่มีที่พักพระสงฆ์เหล่านี้จะทักจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้อย่างไรไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรในพระสงฆ์เหล่านี้ไม่ได้พระองค์เจีงบัญญัติวินัยเนี่ยประชุมสงเลยท่านพอประชุมสงเสร็จเลยเพระองค์กับบัญญัติวินยัยเออเสนาชนะ ผู้ที่ควรจะอยู่ก็คือผู้ที่มีอายุพรรษาไม่ไม่ใช่ว่าพรรษาน้อยจะมาอยู่ขวางกุฏิไม่ได้ต้องอยู่ตามอายุพรรษาถ้ามีอายุพรรษาขึ้นมาต้องอยู่ อ, อกนะั้นต้องอยู่แล้วก็สมมาเนรลาหุน เ, เป็นใครสมควรที่จะอยู่อย่างไรพวกท่านทั้งหลายควรจะคิดพระองบอกตัดอย่างนั้น เนี่ยแะท่านก็เลยบัญญัติวินัยขึ้นมาในยุคสมัยให้รู้จักสูงให้รูจจ้จักต่ำให้ยุคจิตรู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่จะให้พวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยการค้อนเท่าค้อนไม้เทา่าไม้ไม่มีไม่รู้จักสูงไม่รู้จักตำ่ำไม่รู้จักอาบัตผู้บวชก่อนบวชหลังต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านจะอยู่ด้วยกันอย่างไรพระองค์ตัดเรื่องบัญญัติวินัยขึ้นมานี่ยแหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้คณะสัทธายาโจรลูกหลานนะ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังคงจะมองภาพพ้นออกว่าพระในครั้งพวกพุทธเจ้าที่พวกพุทธเจ้าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารก็คือของชื่อเจ้าเชตนะเจ้าเชตก็คือเจ้าเชื้อพระวงศ์ในกรุงสาวัตถีเป็นที่ดินที่เหมาะ เ, าเหมาะสมอาณาธามรมดีกาเศรษฐีผู้นั้นจะอยากได้บุญท่านเป็นพระโสดาบันแต่ในเชษอยากได้เงินเกจะ จ, ะจะได้หน้านะ แต่ก็ไม่ว่ากันเนี่ยกเลยมีชื่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับคณะสัตธรราญาติรวมฟังเอาตอนนี้ไปก็เปิดเทปและนั่ที่นี่นะอาจารย์จเจริญเปิดเทปพนั่งสมาธินะัลูกหลานดันดับไฟนะเอาไว้เป็นบางดวงนะ เ, เวลานั่งฟังเทศบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่าส่งจิตออกนอกนะคณะสัตธาญาติรวมลูกหลานถ้าผู้ใดก็ตามถ้าส่งจิตออกนอกไปว่าคนนั้นขาดทุน ถ้าว่าสติอยู่กับตัวเองคนนั้นผล น, นั้นนจะได้กําไรเนี่ยมีแต่พวกพ่อค้าข้าวพ่อค้าส่งรถออกนอกใครส่งของออกนอกประเทศน่ยคนนั้นได้กําไรแต่พวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยใครส่งจิตส่งใจออกนอกไม่มีสติอยู่กับตัวเองเนาะคนนั้นขาดทุนนะ่ารูกหลานนะ่าคนนั้นให้สติอยู่กับตัวเองเนาะพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนะเอาเปิดเทพได้ที่นี่นะ